พระธรร ม, มเทศนาแผ่นที่107ดลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดดอนทานีแสดงธรรมเมื่อวันที่4มีนาคม2560มีชื่อเรื่องว่าไม่มีเงินกลับบ้านศรัทธาญาติโยมอยู่ในความสงบที่นี่นะไปบางแห่ง ครูบาอาจารย์น้องนุ่มทั้งหลายท่านก็บอกว่าหลวงพ่อพูดยาวเกินไปแล้วก็บางท่านก็ไม่น่าจะพูดตอนเช้าก่อนสันจังหันคนโบราณเขาบอกว่าสอนอแนะนําสั่งสอนลูกหลานก่อนกินข้าวนะลูกหลานกินข้าวไม่อร่อยว่างั้นนะแต่หลวงพ่อนี่บอกว่าเออก่อนที่จะฉันอาหารก่อนที่จะให้พรน่ย เป็นเวลาพร้อมที่สุดที่วัดนะเพราะนั้นเวลาจะพูดอะไรจงพูดตอนนี้แหละถ้าไม่พูดช่วงนี้แหละพอทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วบางวัดเนี่ยแตกฮือไปเลยไม่มีใครที่จะมาฟังเพราะนั้นสมภารระหว่างหัวหน้าเนี่ยจะต้องพูดพูดตอนเช้าตอนตอนนี้ะตอนที่จะฉันยังนันแต่ทุกวันพว ก, พวกเราต้องอดทนไปสักหน่อยถ้าไม่มีการพูดกันเฉลย ต่อไปก็ห่างเหินกันไปเรื่อยๆการไม่พูดการพูดกับการไม่พูดอันไหนดีกว่ากันถ้าหากว่าไม่พูดก็พวกเราก็คงจะสร้างพระพุทธโลกมาให้มากๆามาตั้งไว้ในวัดนะไม่ต้องพูดไม่ต้องสอนกัน เ, เดี๋ยวก็จะได้ความรู้ความฉลาดเองน ะ, ะแต่หากว่ามีครูบาอาจารยแ์แนะนําสั่งสอนอบอกกล่าวก็จะดีมีประโยชน์หลวงพ่อวันเพราะว่าหลวงพ่อนี่ บวชมาเป็นเนนน้อยของหลวงปู่ล้านะหลวงปู่ล้านะานะสอนตั้งแต่เจอหน้ากันที่ไหนก็สอนทุกทีนะพอมาอยู่กับองค์หลวงตามหาบัวกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินหลวงตา ก, ก็สอนแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวตลอดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงเห็นคุณค่าในการแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวท่า่าไม่บอกไม่กล่าวไม่สอนกันเลยนะไปต่างคนก็ไปต่างอยู่กันก็นดีอยู่ใหม่ๆนะไปอยู่ไปนานๆเข้าไปแล้วก็ไม่ได้รับความ รู้ความฉลาดขึ้นมาในจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่เป็นพระใหม่นะแต่เป็นพระเก่าก็ไม่เป็นไรเพราะได้ศึกษามาแล้วแต่เป็นพระใหม่เข้ามาเนี่ยมันต้องอาศัยการได้ยินได้ฝังอาศัยการศึกษาจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองอยึดถือว่าการฝังสุตตมยะปัญญาจินตามมัะปัญญาภาวนามยะปัญญาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญสําหรับพวกเราผู้เป็นพระเสกขะ ผู้ยังต้องศึกษานะนั่นคือพระอะนะักษรคาผู้ไม่ต้องศึกษาไม่ต้องพูดกันนะแล้วก็วันนี้เป็นวันลําลึกถึงงานของพระคูบาหมอของพวกเราก็เป็นที่รู้กันพวกเรามาที่นี่ก็เป็นที่รู้กันทุกคนแล้วละ่ะเป็นเวลาสองปีปีนี้ครบสองปีที่คูบาหมอได้มรณภาพลงไปด้วยสภาพอย่างไร อันนี้พวกเราก็ไม่อยากจะพงพ้อเองก็ไม่อยากจะท่าความแต่ถึงยังไง อ, อย่างคนที่โบราณเขาพูดว่ากรรมใครกรรมมันกรรมอิฉันต่างหากนะลักษณะอย่างนั้นแหละกรรมใครกรรมมันกรรมอิฉันต่างหากคือทุกคนเกิดมาก็ต้องได้รับกรรมนะวันนี้เป็นวันที่สนะี่นะที่พวกเรามาพร้อมกันวันนี้วันนี้เป็นวันที่สี่มีนาคม พุทธศักราช 2,560 คือวันนี้ที่พวกเราได้มาร่วมมารวมกันทำบุญระลึกถึงคู่บาหมอของพวกเราแต่หลวงพ่อเองก็มั่นใจท่านเป็นผู้สนใจไฟปฏิบัติท่านเขาคงจะถึงจุดหมายปลายทางของท่านจุดนี้เราก็ไม่กล้าที่จะพูดพ่อเราเราก็จะพูดได้ยังไงเพราะมันเป็นอนาคตขนาดพระพุทธเจ้า อย่างสงฆ์ชนอยู่ก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่พยากรณ์ว่าพระองค์นี้ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลก็ไม่ไม่เคยได้ยินว่าพระโมกขาลาสาลีบุตรกัส ป, ปะท่านอานนพระยากรณ์ว่าองค์นี้ได้สําเร็จเป็นพระหันน ะ, ะมีแต่ท่านพูดเป็นในในให้ฟังในการประพฤติปฏิบัติของท่านมีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ว่ามีเขาโจทกฟ้อง เ, อเข้ามาแล้ว มากราบทูลพระพุทธเจ้าในพระองค์นี้อวดอุตริมรุธรรมอย่างนู้นอย่างนี้พระองค์ว่าเออเนี่เป็นยังไงเธอพระองค์นั้นพูดหวังเออเนี่แหละเธอได้สำเร็จเป็นพระหรหันแล้วแต่พูดเธอพูดตามความเป็นจริงอันนี้คือบุตรของเราพระพุทธเจ้ารับรองก็เป็นที่ทราบกันในหมู่พระสงฆ์ทั้งหลายกันอกจากนั้นมาก็ไม่ไม่เคยได้ยินองค์ไหนว่า ภาษาเรียกพูดรับรองว่าองค์นี้เป็นพระอรหันต์องค์นั้นเป็นพระอรหันต์พูดเป็นจิตจารลักษณะมีแต่พูดเป็นในๆที่ท่านรวมจบปริญาเอกเหมือนกันท่านก็พูดกันได้เมื่อการสนทนากันนะอันนี้ก็คือคู่บาหมอของพวกเราก็เหมือนกันที่ท่านจุติไปแล้วท่านคงไม่ตกต่ำเพราะท่านเป็นผู้ไฝ่ทุกอย่าง ดีทุกอย่างที่พวกเราได้ศึกษาได้ฟังท่านอย่างที่ท่านโคศกได้พูดไปท่านได้ทำคูนูประการให้กับจังหวัดอุดรทัท่า น, านประหลัดท่านบอกเ อ, อ่ห้องอะไรตามให้จีิงหลวงพ่อแปลกแปล ก, ปลกมันกิดห้องไอ ต, ตามให้เจีิงเขาเรียกว่าห้อง icu นะอันนี้ท่านบอกว่าห้อง icicu หลวงพ่อก็แปลกทำไมจึงเรียกว่า cicu นะที่ท่าน ได้สร้างขึ้นมาก็เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลศูนย์อุดอรจากนั้นท่านก็ได้ช่วยสร้างพระเจดีที่วัดโพธิสมพรเป็นกำลังหลักส่วนหนึ่งเนี่ยแหละยงผูกการที่นั่งตนหน้าหลวงพ่อเนี่ยเป็นอุปถัมภ์ปัตถ า, ปถาเป็นผู้ดูแลที่ดูแลตึกพระเจดีย์พร้อมกับคู่บาหมอพร้อมมาหลงปูนะแล้วก็พร้อมกัน ถ้าจะว่าไปแล้วกูบะหมอของเราเป็นเป็นผู้ทํำคุณูปการให้กับจังหวัดอุดอรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่องค์หลวงตาของเรามหาบัวของเรากูบะหมอก็เข้าไปประกบนะเข้าไปประกบเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะพูดจะกล่าวอะไรเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของหลวงตากูบะหมอจะเป็นผู้เขียนเป็นข้อความให้เจ้ก่อน ว่าวันนี้อาการของหลวงตาเป็นยังไงเพราะหลวงพ่อไม่ใช่หมอใช่ไหมล่ะหลวงพ่อก็ต้องฟังจากคู่บาหมอเนี่ยท่านก็เขียนไว้เออหลวงตามีอาการอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นหลวงพ่อก็ได้พูดตามคําที่คูบาหมอของเราเนี่ยล่ะเป็นเป็นผู้บอกกล่าวให้หลวงพอ่อนะเพราะฉะนั้นในขณะที่องค์หลวงตาป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยกับคู่บาหมอเข้าเข้าไปประกบเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะท่านเป็นหมอฮะ นี่แหละท่านทำพจนู ป, ปการให้กับครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันเวลามีอะไรเกิดขึ้นน่ะหลวงพ่อจะต้องปรึกษาครูหมออีกเหมือนกันเออครูหมอของเราเป็นยังไงไว้เป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้นี่ท่านก็ให้คําแนะนำอย่างการเจ็บไข้ติดป่วยหลวงปู่ลีรุ่นแรกๆ ก, ก, ก็เหมือนกันสัง่งเสี่ยงพวกหมอที่ยังไม่รู้นะ่ะแล้วก็หลวงปู่เพ่งก็เหมือนกันถ้านหลวงพ่อบรรยายไปแล้วนะ เรื่องคูบาหมอทําคุณหูประการให้กับครูบาอาจาร ย, าาย์มากมายมากมายทีเดียวหลวงพ่อในเวลามีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับแพทย์เกี่ยวกับหมอแล้วหลวงพ่อจะต้องปรึกษาคูบาหมอเนี่เป็นเป็นด่านแรกเลยเพราะว่าท่านถ้าจะว่าไปแล้วเมื่อท่านจบจากหมอจุลานะ่ะท่านก็ได้ไปเป็นผ อ, อ, อที่โรงพยาบาล น, นายงเป็นคนเป็นท่านแรกเป็นคนแรกของโรงพยาบาล แต่ไม้นั้นเขาสร้างโรงพยาบาลขึ้นมาตามอำเภอแล้วหาผู้ที่จะเป็นผ อ, อ, อน่ะยากเพราะหมอทีงอยู่ในเมืองเขาไม่อยากจะไปไงเขาก็ส่งหมอใหม่ใหม่อหมอใหม่ๆไปตามประจำอำเภอเพราะคุณหมอท่านหมอเนี่ยนะไอ้ที่ท่านก็ได้ไปประจำที่อำเภอนาอยูงหลวงพ่อหลายปีหลวงพ่อก็ได้ซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรตอนมีอะไรให้กับโรงพยาบาลนายูงพอสมควรจากนั้นท่านก็ ใหญ่ขึ้นมาถ้าก็ย้ายมาที่อำเภออำเภออะไรจุใกล้เมืองอุดรเนี่ยนะจากนั้นก็ท่านก็ได้ไปเรียนหนังสือไปเรียนเฉพาะทางที่จุฬาพอเรีย น, นยังไม่ถึงอยางไปครบนะท่านไม่จบนะท่านก็เกิดความเบื่อเบื่อหน่ายในวิชาอาชีพกือเบื่อหน่ายในโลกก็คงจะเป็นบุญวาสนาบารมีของท่านคุณคนเรานั้นต้องมีจุดหนึ่ง อย่างที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านครองมาคองราชมาถึงอายุ29ปีเนะี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายนะจากท่านท่านก็จะหนีเข้าไปป่าไปบวชอยู่ในป่าถึง6ปีพระพุทธเจ้านะอันนี้ครูบาหมอของเราก็คงลักษณะอย่างนั้นคือถึงจุดอิ่มจุดอิ่มทางด้านจิตใจพอมองอันไหนไปแล้วก็มันเบื่อฮะท่านก็เลยลาออกมาบวชนะบวช เ, เรียนยังไม่จบเนละจากนั้นท่านก็านมาเป็นสมณะอยู่เรื่อยๆปวดที่วัดหลวงปู่นะเก้านะน้องวัวซอจากนั้นก็ท่านจํารรษาที่นั่นก่อนปีแรกถึงไมหมเลยหลวงพ่อวิสาแต่ท่านไะจํารรษาที่นาคําน้อยกับหลวงพ่อจะเป็นลูกกี่ปีหลวงพ่อก็จําไม่ได้อีกเหมือนกันนะั่นแหะเพราะมันนานมาแล้วนะนี่แหละอันนี้คือชีวิตของครูบาหมอจากนั้นหลวงพ่อเองก็ได้ผูกพันหรือว่าได้เกี่ยวข้องกันอยู่เพราะนั้น แต่ถึงยังไงก็ตามแต่หลบพ่อก็มองว่าคูณหมอเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้ใฝ่ใจในการกุศลทั้งทั้งโยมพ่อโยมแม่ของท่านเมื่อท่านมาบวชแล้วนะพ่อแม่ของท่านก็ได้มาอยู่ด้วยมาอยู่ที่นี่ท่าจะว่าไปแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบอีกชนหนึ่งก็คือท่านเป็นลูกท่านเป็นเป็นลูกชายคนเดียวก็มีจากนั้นก็เป็นลูกสาวนะท่านก็นเนี่ยดูแลพ่อกับแม่ของท่านอย่างดี อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นถ้าพวกเราได้มาเกี่ยวข้องแล้วก็คงจะหลวงพ่อพูดไปนี้ก็คงจะไม่นอกเหนือหรือว่าไม่เวอร์จนเกินไปแต่คงอ ย, อยู่ในกรอบนะแต่พวกเราทบทวนนึกย้อนหลังดูนะสรุปแล้วก็คือครูบาหมอของเราท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติต่อครูบาอาจารย์ต่อพี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกโมเหล่า เพราะนั้นวันนี้ถึงเป็นวันหนึ่งพวกเราได้มาร่วมมารวมกันเป็นลาลึกถึงพระคุณของคูบาหมอถึงท่านจะจุติไปในภพภูมิของท่านถึงจะตุจตินิรพานหรือว่าไปอยู่ในภพภูมิใดพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็ถ้าว่าท่านเข้าสู่นิพพานไปแล้วก็เออเอาอนุโมทนาสาธุถ้าว่าท่านอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านเร็งยานหรือว่า มองดูพวกคณะศรัตยาญาติโยมครูบาอาจารย์ได้มาลําลึกถึงพระคุณของท่านก็ข อ, ขอน้อมเรื่องว่าขออุทิศหลวงน้อมกุศลเหล่านี้ไปถึงดวงวิญญาณของท่านท่านก็ขอให้ท่านมีความสุขในภพกติภูมิของท่านท้าทว่าท่านพ้นทุกไปแล้วก่ น, นั่นแหละเป็นนิพพานังปรมังสุขขังไปแล้วอันนั้นก็จบเป็นอวักกาศ ส่วนหนึ่งนอกเหนือจากโลกโลกสมมุติของพวกเราอันนั้นพวกเรามีจันุุโมทนาสาธุในจิตในใจของพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสร้างบุญสร้างกุศล ส, สำหรับพวกเราแต่ถึงยังไงก็ตามนะขอให้พวกเราเนาะย้อนดูไม่ใช่ดูแต่ครูบาหมอในหะ้ย้อนดูตัวของพวกเราด้วยนะชีวิตของพวกเรามาถึงปูนนี้แล้วเราจะอยู่ไปอีกนานทักสักเท่าไหร่ แต่ว่าไม่มีไม่มีขีดหมายอบอกว่าอายุเท่านั้นเท่านี้ซะก่อนนะแต่ละคนแต่จะต้องจากไปไม่มีในหลักธรรมและก็ไม่มีตามธรรมชาติไม่รู้ว่าวันไหนหายใจไม่เข้าแล้วก็ใช่หายใจไม่ออกแล้วก็ใช่เพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความปพระบ้าให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้นะ <Jub ilee> แต่คู่บะหมอของเราเนี่ยท่านเต็มที่แล้วท่านทำความดีของท่านแต่พวกเราล่ะพวกเราได้ประกอบคุณงามความดีเพียงพอหรือยังอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราได้มองให้มองดูตนเองให้มองดูตนเองว่าข้าพเจ้าเป็นที่อุ่นใจและอย่างการประกอบคุณงามความดีของข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าอุ่นใจและอย่างข้าพเจ้าตายในขณะนี้ข้าพเจ้าจะไปที่ไหนจะไปดีหรือจะไปที่ไหนพวกเราได้คิดไว้หรือยัง จุดนี้แหละเป็นจุดเน่นที่พระพุทธเจ้าเคยเตือนไว้ว่าให้มองดูตนเองเราออกจากนี้ไปแล้วเราจะไปที่ไหนเราจะไปพักที่ไหนในการเดินทางของเราต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราไม่ได้เตรียมในการเดินทางไม่ได้เตรียมรม่มไม่ได้เตรียมรองเทา้าไม่ได้เตรียมอุปกรณ์นในการเดินทางการเดินทางของเราจะได้รับความทุกขนะ์นเพราะนั้นพวกเราให้เตรียมพร้อมในการเดินทางเราจะต้องเดินทาง ไกลแน่ๆอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเราเกิดมาแล้วน่ะท่านก็เสียดวีซ่าให้แล้วเอาว อ, อ, อกวีซ่าส่งวีซ่าเตรียมวีซ่าไว้แล้วนะพอะอีกสักวันหนึ่งเขาก็ส่งวีซ่ามาเออท่านมีกำหนดแล้วนะท่านจะต้องได้กลับไปบ้านเก่าแล้วนะเราก็จะต้องดเดินทางกลับบ้านเก่าอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าแต่ว่าเราก่อนที่จะเดินทางกลับบ้าน เรามาอยู่ในเมืองเมืองมนุษย์โลกนี่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สร้างบุญไม่ได้สร้างกุศลมิจฉาสนุกสนานเพลิดเพลินเอฮากินเหล้าเมายา เ, เราไม่ได้ประกอบคุณงามความดีไม่เชื่อในบุญในกุศลอีกต่างหากแล้วเมื่อเรากลับไปถึงเวลากลับบ้านไปแล้วน ะ, เ, ะเราไม่มีเงินในกระเป๋าน ะ, ะกลับไปถึงญาติพี่น้องเขาก็มองเราเขาไม่มองเราเลยละเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนทุกจนไม่ได้เ ส, สแสร้งแสวงหาทรัพย์ ไม่ได้แสวงหาบุญกุศลเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมิใช่ว่าตายแล้วสูญ น, นะขณะนธ์สัตยาญาติโยมนะหลักของพุทธศาสนาแล้วตายแล้วเกิดอีกแน่นอนพราะพระเจ้าพิสูจน์แล้วปุกเพนิวาสานุจติยานและลึกชาติโนหลังได้มาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านก็บอกว่าใครอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูญมันมีหลักพิสูจน์อยู่ให้นั่งภาวนานะ ในเมื่อเมื่อเมื่อนั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบจิตใจเป็นหนึ่งจิตใจที่เป็นอัปปนาสมาธิเท่านั้นละ่ะยังไม่ถึงพระโสดาสกตาอนาคารหันหรอกเพียงติดจิตใจสมาธิรวมนิ่งลงไปเราจะรู้ได้ด้วยตวนเองว่าร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับรถจิตใจของเราเนี่ยเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถเราก็รู้อยู่แลว้วมันกลดละอันกันรถจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับที่ก็เหมือนกัน ร่างกายของเราที่จะใครจะขยืดยืดไปได้ก็ต้องอาศัยใจใจเป็นผู้ขับเคลื่อนนะแต่ว่าหาว่ารถคันนี้มันลูกสูบมันติดนะหมดน้ํามันสายพานมันหลุดนะโซเฟอร์จะฝีมือดีขนาดไหนก็ดีเถอะนะมันขับไม่ไปเพราะอะไรเพราะรถมันตายนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเรามีจุดจบเหมือนกันนะเลือดไปเลี้ยงเลือดไปอุดหัวใจสักเลือดไปอุดสมองสัก ร่างกายมันก็ไปไม่ได้ละ เ, เราจะเก่งขนาดไหนฟินญาณจะเก่งขนาดไหนก็ขยับเขยื่อนไม่ได้เพราะอะไรเพราะรถมันหมดสภาพนี้ก็เหมือนกันนะในเมื่อรถมดรถหม ด, หมดในเมื่อมดออรถหมดสภาพซ่อมไม่ได้แล้วจะทำยังไงเลยหมอเขาก็ซ่อมไม่ได้ทําไงฟิญญาณจะไปเฝ้ากระดูกระดูกเน่าเปือ่อยมันจะดูดยู่ได้ยังไง ร, ร่างจิตใจโซเฟอร์ก็ต้องออกจากรถ ในขณะที่โซเฟอร์ออกจากรถนหจุดนั้นแหละสำคัญโซเฟอร์มีเงินในกระเป๋าไหมมีบัตร ATM มไหมมีอะไรไม่มีเพชรนินจินดาอยู่ในกระเป๋าไหมถ้าว่ามีของที่มีคุณค่าอยู่ในติดตัวเราไปนัดสถานที่ใดนะเราก็เอาเงินออกมาใช้เอาเพชรนินจินดาออกมาใช้เพราะเมืองปาโลกภาคหน้าไม่มีขโม ย, โ, ยโจร น, นะคาว่าขโมยกันไม่มี คดโกงกันไม่มีของใครของเรานี่แหละเมื่อเราออกจากร่างนี้แล้วเรามีสมบัติเท่าไหร่เราจะได้จับใจ่ายใช้สอยในสมบัติของเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราดูจุดนี้นะมองดูตัวของเราเองไม่ต้อง ม, มองดูใครอื่นหรอกเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านในหลักของพทุทธะแล้วตายแล้วไม่สูงเนีอยากจะรู้ทําจิตใจให้สงบตอนนั้นแหละอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อเขาไปศึกษากับครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์ลูกหลานเกิดมาขยงโขงไม่ทันแต่หลวงพ่อในทันนะหลวงปู่ลาดหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่จามหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เขาหลวงปู่น้องแสงมีครูบาอาจารย์ั้งเยอะแยะตรงพอเข้าไปไม่มีองค์ไหนที่ปฏิเสธว่าตายแล้วศูนย์นะไม่มีองค์ไหนพูดอย่างนั้นแม้แต่องค์เดียวนะมีท่านบอกว่าตายแล้วเกิด ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่าทำชั่วนะเนอะเนี่ตายแล้วเกิดแน่ๆนะเนีถ้าว่าถ้าใครทำกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีนั่นแหละจะตามสนองถ้าใครใครทำกรรมดีกรรมดีจะตามสนองกรรมดีจะตามให้ผลถ้าทำกรรมชั่วกรรมชั่วจะตามให้ผลสมกันพระผลักทำคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอากตังบุกตังเสซโยปัชา่าตปติทุกตัง คำชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วลงไปแล้วรำชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังในพวกเราฟังเอาไว้ต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในแตนีเนอร์แล้วกุทิศส่วนกุสลอย่างที่โคศกได้พูดถ้าใครมีน้ำก็เอาน้า เลนไหลเป็นน้ำพยานสองจักใจของเราถ้าว่าไม่มีน้ำเอาน้ำใจนราภิษิ์ส่วนกุศลต่อพวกมีอุปกรณถวายบุญกุศลต่อกูบาหมอของพวกเรานะ้